เอちなะไม่ใช่ตัวตนสัญญามาัไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเสกหลงไปลรูปเกิดขึ้นทุกโอกาสให้เราได้เห็นเอちなะเกิดขึ้นทุกโอกาสให้เราได้เห็นสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยจะให้หลัว่าให้หลงเป็นว่าเป็นตัวเป็นตน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 เกิดดับเกิดดับเป็นพบเป็นชาติอยู่ที่นี่เสกลงไ ป, ปรูปไม่เที่ยงวิถีนาไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นทีไรแล้วก็เอามาใช้เพื่ อ, อเป็นมากเป็นผลถ้ารูปมันเกิดขึ้นทา่าใดที่เป็นมันแสดงออกรูปไม่เที่ยงหนทางไปสู่มรรคสุผล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 ก็ไม่ต้องไปถึงว่าไปหลงที่ลูกมันเป็นความชนานาญไว้ตั้งแต่ที่แรกจบไปจากที่แรกแล้วมีสติภาณนกาชินที่เกิดขึ้นกายเป็นจักตว่าอาการธรรมชาติเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆมีสติภายนกา ย, ยก็เห็นจิตที่มันคิดก็ให้รู้สึกตัว ความคิดก็เป็นรูปที่มันเกิดขึ้นมาความคิดอ่ะเป็นรูปเป็นอุปทานยาลูกยืดความคิดว่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความโกรธโลภหลวงอ่านเรียกว่าอุปทายาลูกเป็นรูป ป, อ ป, อ ป, อปอลอมๆเราเห็นรูปแล้วการที่เกิดขึ้นกับรูป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 ถ้าเรายอมจำนำอย่างนี้จะมีค่าลายชีวิตเรามันมีวิธีปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอนมีผู้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยได้หลุดพ้นละนิ่มาแล้วมากมายและเราก็มาสัมผัส ด, ดูไม่ต้องไปเชื่อใชยเวลาเรามีสุติ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 เราางคน ก, ก็อดเอาเวลามันทุ ก, ก็อดเอาเราบางคนกเกิดจต劣ต้หาก็อดเอาทนเอาบันทีก็ทนได้บันทีก็ทนไม่ได้่วนมากถ้ามันเข้าถึงตัวแล้วก็ทนได้ยากบางคนลูกไข่ไข่เจ็บเรื่องกัใช้ชีวิตที่ผิดพลาดจังเจ็บไข้ได้ปวย ในโลกถึงตัวแล้วก็มีบุคคลที่ถึงที่สองมีวัตถุที่ถที่สองลั่ขึ้นตัวเองป้องกันดีกว่าแจ้งขายชีวิตเราก็เช่นกันกลัวความโลภความหลงความทุกข์ความทุขไม่ถูกไม่ถูกกังวลเศร้าหมองเป็นโลกโลกทั้งจิตวิญญาณ ถ้จิตวิญญาณมีโลกลขวก็ควบคุมทั้งหมดรูกก็เป็นโลกรูปโลกนามโลกเมื่อมีโลกรูปทุกข์น้มทุกข์รูปความทุกข์อย่างออาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์หน้าแล้วไปเลยถ้ามีโลกก็หลงเป็นหลงเลยวะ เป็นคนมีโลกแล้วทุกเป็นทุกเบอรเป็นคนเป็นคนมีโรกแล้วใหยเราไม่โลกแต่นี้ไม่รักษาก็ยอมรับอยู่ทุกโอกาสวันหนึ่งเกิดดับเกิดดับทุกข์จีอาสงไขทุกข์ลงจีคนคนอาสงไขหลง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 ไม่มีพิธีกรรมมัเดือนนอกจากปฏิบัติเองเป็นเท็จเป็นจริงสัมผัสเอาไมาใช่จำเอาีสติมันเป็นการสัมผัสได้ทุกรสทุกชาติรู้จักเลือกทุกรสทุกชาติถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ไว้เป็นเกิญ์ขี้วัดไว้จะเฉลยได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปากกับใจ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 อันซีก็ว่าอยู่ในตำราหมดคืนในตำราหมดเวลาจะรู้อะไรานอะต้องไปอานเอาเปิดหนังสือเอาจะนับม่ใชม่มาได้สำหรับจิตวิญญาณสำหรับใช้ความแจ่ความเจ็บ ค, ความตายจะไปทำแบบนั้นไม่ได้มาไม่มีตำราที่ไหนมันเกิดขึ้นมาเอง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 มันมากกว่ารูปมันก็รูมห่ารูปเป็นตัวเป็นตนของมันได้เบียดเวียนรูปได้เตือนความโกรธทำให้เบียดเวียนรูปได้รูปมันโกรธไม่เป็นความทุกข์ทำให้เกิดเบียดเวียนรูปได้รูปมันทุกข์ไม่เป็นความลักความจางควมไว้จบกางบนเส้าหมองมันเป็นเวทนามันเบียดเบียนรูป รูปก็สุดโสมอย่ ง, ง่ายเฮ้ยเกียนตายไปเลยถ้าเราไม่ฝึกสติเป็นพลังช่วยเหมือนกับโอสุดรักษาโลกจะหมือเกิดกับรูปกับไปทานาสัญญาสัญการปัญญาให้มันหายซะเหมือนพพุทธเจ้าได้ประกาศว่าโลคยาบรลามาลาภาว่าไม่มีโลกเป็นลาบเป็นปะเสดนั่นคือโลกอย่างนี้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 เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ด ha ูต <ham> ัวเองเลยเสียใจที่ทำหลายผิดพลาดมาแต่ก่อนไม่รู้เดปวดบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทไมอันอื่นเป็นทุกข์สิ่งอื่นเป็นทุกข์อย่รมาก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 พระพุทธเจ้าปฏิญญาแบบนี้ไม่ได้ปริญญาที่ต้นหนองหลังสองต้นที่มองสังอุจินาราสวนมรรกษัตย์อนันดรนภาษานคนประสาธรรมคืออยู่ที่นี่มีจติแล้วอะอยู่ เวลาสุขเด้อทุกเสดายสุขไม่มีทุกไม่มีมีแตสติเข้าอยู่ที่ไหนสติเนี่ยโอ้ใครโอกับผู้ที่เย้าเลยไม่ใช่เลยอยู่ที่ตัวเราเนี่ทําตามผู้ที่ทยวสอนไว้เนี่ยนั่งกูเขนเข้ารู้สึกอยาวาฉันออกรู้สึก นอนไม่ไดือชีวิตก า, า, กากตรงานก็ทุกข์ไปบอกไ้มฮอที่นี่บินทะบาร์ไกลนะต้องไปติดเช้าอันนี้ทำนำพาให้พูด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 พ่อาจนสนใจวลาจะบทชถูกกักจารณาทีกกรรมพลมัคคิโคสอมาสอนเขาก็เป็นลูกศิของพวก น, นันเจ้ากะลัง ม, มชนหมู่บ้านกะลัง ม, มชนอ๋อพระเจ้าไว้ไสอนอ๋อสอนแบบไหนลูกไม่เที่ยงเบินาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนจิตใจไม่เที่ยงจนินั้นเป็นทุกข์ ใดเป็นทุกข์ฉินไม่ใช่ตัวตนไม่ถือว่าตัวว่าตนของเราก็ลเาผูนชลองกัอยโอ้ยยากยากอาจารย์นั่นก็สอนอย่างนั้นอาจารย์นี่ก็สอนอย่างนี้ไม่รู้างเชื่อใครเจ้าก็ตัดก็เราไม่โฉดขึ้นม า, าเราได้สวดมนจบลงไปนี่อ๋ออันนี้ก็รรจบกวอใจะเวลา